สัตว้ต เพิ่มเนในบันษาปอพรนษาที่นี่ก็มีการอยู่หคนแต่รอบให้มรรษาตาู้ใช่ <c oughs> คอนแพงรู sad, really. okay. yeah, okay. ้จ right. right. ักไมคอแฟร์ร hmm. hey. mm ู hmm. ้จ um ักย hey, ักหน้าเรื่อเงิเรื่องอะรอะไรหอเปล่ามันเป็นไงคอนแฟร์อธิบายคำมันก็อย่างหวยแล้วก็แกรชิงตอกันในฐานะเจ้าซอฟเตอ่อพยายามว่าเงงเงงเงงแล้ ในนี้แกจะ็อกเตอร์ยกมือนะคววหนึ่งได้ยกมือเด็กไงกินง่างทายนึกของไทยนี่ล็อกเตอร์ที่อเมริกาบอเมันเหมือนเปิหอยอ่ะเป็นยไงมืองไทยเมืองไทแข็งควร Roll straight in there. Oh, pretty good. h ก็สตอนี่อเป็นยงไงแบบแพทเทิร์นะไรแบ i นี้แบบนี้คือทำมันนะสมสไปซงาระการชีวิตเนี่ยเน่นี่นะะขคอแก่่ยแ้มันอยู่ใน ก็เขียนกํากับหมายเลขไว้ด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตอนที่ไปเลยาว่าทอดไม่ได้สามห่อเลยหรือสี่ห้าหกจะได้มีคนรอบแป้งไปพันยาวๆเลยนะแล้วดตีเอ่อสับกรๆเล็ทักนี่นี่เลยสับ ของแข่งัคล้ายๆกับเซตสับไ่อยแล้วเนี่ยมันไม่เสับเก่งขนาดเวลาเล่นไพ่ก็สับไพ่นการเดียวเลยเพราะว่าหัวล้อต้องอะไรใช่ใชถูกตัวเนี่ยโดนสับไพ่เร็วเล่นสับเท่าัเป๊ะๆๆๆยประมาณนี้นิ้วขึ้นมถึงว่านิ้วเรเป็นนิ้วค้อยนะได้ขึ้น มีการ์ยแท้แล้วกดลงไปเป็นคล้ายๆกันแปลงแปลงสักภ้าแล้วต่เป็นเส้นไปลอมไปลอมกลุ่แล้วอานื้อบีไปยาวจะประมาณประมาณนิวชีก็ดีสุดแต่ มันจะออกมาเป็นรอยเป็นวันเป็นวันเดือนเสร็จเล้วมีแป้งลอยนี่คืออีกกลุ่มหนึ่เงเลยย่อมไปทอดมีน้ำ ม, มันเต็มกระทะแล้วก็พอหลงย่อมขึ้นเสร็จแล้วมีน้ําเชื่อมวีหลักทีมีเกลือหน่อยมีน้ำปลา ก็เป็นพยาสาม า, ยอยา้อใช้แแสบเรื่องยาใน้องที่ไม่นับเดือวจะลบไปหมที่แล้วหมอคงสัดมาซื้อให้สามสามกล่องกล่องประมาณห้าลิ้นห้าสามสห้าลบร้อบาท้อเขาถวายไม่ได้ซื้ อ, เ, อ, ขอเขาถวายโปรก่ทาก็ถวายไม่ได้ซื้อ ก็จะไหวใช่ไหมพูดิดพูดิดไม่ถซื้อไห่ถึงว่าเวลาขายก็เวลาของเงาเหรียญาก็คุยเไตกของได้หรือแต่วันนั้นเข้าไหวนตายโนเหนือคนเข้าไหวแล้วันโตนาไม่สะพูนะรสชาติใช้ได้รสชาติแบบนี้ไทไทยอเมริกาสั่งกองคิดยาดีไหมสามกล่อมคินเองไปสองกล่อม เรนไหนก็กินเมนชิ้นสองชิ้นเล่นหมดกองหมดกล่องกลองหลังกล่องกินแบบจักรัานเลยล่ะทกปีสักันแล้วก็มีเมื่อวาก็ขบไปปีกล่องก็ทามีกรลอบแบบนี้ได้ g เราได้ึงชาติรสชาติรสชาติที่แตกต่างก t สเผ็ดรสหวานรสกรุ คนไทยได้กินอาหารไทยรสชาติถึงคุ้นๆตันแตก่นัันรู้สึกอนะไเนี่ยอื้อถ้าเป็นอาหารฝรั่งมันจะมีความสึกหยีๆไงมนะันกเจอหนงฟังเจอเลยเจอสลัดั่งๆอนะไรแบนี้มันจะมีความรู้สึกทัานนี้ก็รู้ไป่เป็นยังไงนะลำซองนั้นไม่ใช่จากโลกอะไรมนสอร่อย มันเป็นน้ำส้มคล้ายๆกับโค้เกียร์นะเพรามาตรฐานอมริกัาโค้งเกียร์าที่ดีแต่ส้มในขวดมันเหมือนส้มในลูกนะทัศน์าความรู้สึกตัวที่มีผัสสะนะจุ้ยสโลกับความรู้สึกตัวที่เราอยู่บ้านอยู่ที่ทำงาน รู ừ, ừ, ừ, ้อยู่ที่ว่าอรมที่เกิดขึ้นมสิบวันร้นใจเราเกี่ยวข้อมกันรู้สึกยังนที่นี้อากาศนหนาอ็่ง็สมา e t มันมีความสุ่ ความรู้สึกตัวแต่ที่สามองศาสีองศาองาเี่ยานสันารูกวเมันไม่เกี่ยวกับอาาศนอกเป็นยังไงแต่เรารู้สึกใจใจมันอบอุ่นมันหนาอใจใจอบอุ่นประเด็ดตั้งหักใช e ไหมมันให้ฟิวโค่แบบเซ e ร์วิสที่พอใจไม่พอใจเนี่ยนะนึกจะทบฟ้าเนี่ยถ้าเราขาดสติที่มีความรู้สึกวกบวกลบลบพอใจไม่พอใจ แต่พรอคอนี่คือรสชาติาหารนะที่อยู่คุง่ายเราก็ถวายมาด้วยใจบริสุทธิ์ใจเป็นบุญอะไรแบบประมาณน้พทว่ามันไม่อร่อยไปฉันใจเป็นปกติเออมันดีมาในรูปแบบในขนาดแน่นแน่นอยู่สองชั่วโมงชั่วโมงครึ่ง เกิดชันวโมงครึ่งเลยไม่เคยมี่าวถึงเออว่าทำได้เลยเมื่อสิบปีแล้วเยเรอเมื่อสี่มีเสียงมั่มเสียแลวก็ไม่ได้แลเสียงมันดีเลยเวลาเปิดสองตัวแล้วมันมันเตีอยขึ้นดีทรกก้านแล้วมันหลุดปลาไหลเลยเสียงเมื่อวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งเราพอรู้แล้วจะยินเสียง ไ่ตกตกนะแ i ่หรือว่านี่คือสิ่งที่ต้องแก้ไขสิ่งที่ต้องแกเพราะว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรย้อนไปที่เมื่อวานที่นี่เป็นฤดูใบไม้ว่าไงใบไม้เปลี่ยนสีจาเขียเป็นเหลืองเหลือเหลืองเป็นส้มส้มเป็นแดงอะไรเงี้ยพอแดงแดงป็นนาำาลจากน้า่วง ประมาณเปลื อ, อยเลยเนี่น <Or it. S 2> านวานวารใ ส, ถใส่ถังใส่น้ำถังใส่น้ำเบ้วยใหญ่ทำมะเขติคล่าใกระองเดยวเกียบของเราเท่าอย่างนี้ประมาณได้สักเจ็ดแปดเจ็ดแปดถังมช่วยกลประมาณสิบถังช่วยของเราประมาณเจ็ดแปดถังที่เรายกไปใส่อะไรอี่ย ตอนที่จะกองรวมกันพื้นที่ที่มันแถลงนั้นสองเอเคอร์อย่างก็เป็นหนึ่งเอเคอร์หนึ่งเอเคอร์เท่ากับสองจุดห้าไร่นะก็ประมาณสองจุดห้าก็มีที่จอดราได้ประมาณเจสิบคันได้เจ็สิบคันครับวันเจ็สิบคันมันไ็ไม้ก็ไม่พออยู่ตามรชาวบ้านนันไปติดกันเราเอามา ทีแรกี่นี่ท่านที่ยมีเครื่องนะมีเครื่องปั่ปนเ้นทเป็นาจยเราเรียกขอยโข่งใชไหมที่ชนะ่างโยนชอบเอาเป่าพวกแบบหอมอกกรองอะไรพวกนะี้ความปู่หรือว่าช่างแอร์ชอเเป่าแอร์เป่าพุมแอที่นี่ก็จะเป่าเว้ไหมแล้วมันไล่เปล่ามีฝร <c oughs> ั่รงท่านนั่งแท้ปกติเวลาเห็นเปล่าเป็นไหมช่างก็ออกไหม น, นะั ทีนี้ที่ผ่านมาส่ใหญ่เขาบอกมาเราก็จะเดินลบหลบเลเียงเพียงเลี่ยงเพี้ยงบอกมาตลอดเลยแต่เมื่อวานเนี่ยรัเป่าเป่ า, เป า, เาก็มาเดินไปแล้วก็บอกว่าไอ้ที่รับเป่าเนี่ยมันไปไม้มันะเดินไปอยู่ที่ของเขาเราว่า รู้คิดที่สามว่ากห็หลัวนนี้อะไรนิดหน่อยห น, น, น, น, น, น่อยไม่ได้ที่จอลดลถบรรดางนนว้าวาว้าวาว้าวจะมีปัญหากมอาลายนายที่วัดนี่ยก็เป็นทหารมากว่เราก็จะ ด, ดีสู้เสือรู้จักไหมใจ ด, ดีสู้เสือนะไ่าี้ก็เฉยเก็กระทัดมาเห่าหน้าอยู่ทักดีเลยเอแต่นนตออนนหน้าตาเาก็วิ่งวิ่งหน้าาหน้าดูดูอะเป็นทานนะ แวลาเม่อพักเมา่อยู่กันสองลูกขอแต่วัดแจววัดฆ่าลูกวัเหลือเราเป็นพาบธตทุกกาจะสู้รตกเออหนนกไไ็ภาษาที่ทำคือแอมคลินิง่งไอนจีนิง่งคือกาลังทำใช่ไหมเราจาได้เคเรียนไหมแอมจีนิงน่งไม่รู้อยู่กับจีนึง่งวันววันเดย็มเลย แล้วก็อมันตงสติ okay. so, uh, ัใจได้รว่ามัใจธรรมาแต่ย้มใเราี้เราเาไรม่แค่อานม้เราเสร็จแล้วก็บอกว่าเอออะไรปีนี้เป็ว่าท้ายจุดไหมว่าเออเสร็จนี่ ชี้ไปทีใบไม้ไปไปเมื่อยากชี้อยูนัั่งยาาไม่เอาแล้วแท้เลยแท็กยิ้มอยู่แล้วแท็กยิ้มพูดได้แท็กยิ้มพูดไหนก็ได้ยังไังยกสองข้อไม่ตกเดิหนีเลยนะแต่นฉล้อนะยังเล่าอู่ตานไป้อเป็นยังไเล่าเปยไบม้ครับก่เปน การยกมือมันก็สั่งการนะถ้ากรหมันมือจะชกกันนะจะยกมือกันเออสมย c o l o g y เจ๋งไหมไม่บายผู้สมมติอยู่เลยโอยยยยยยยยย ใก็นิ่งนะครับหลาจะบางคนก็เริ่มฉลาดคือเขาเริ่มต้นดฉลาดให้ได้ถึงเปลี่ยนคอบแคลนน้ำยาขนาดเนี้ย น, นะ <c oughs> บางค น, นก็วางโฟมโฟเลยแล้วก็ปิ้งแบบปิ้งไปเ่มฉลาดทีเดียวจบไปเลยม้วนจำนานแล้วบางคนไม่จำนานที่จะวางตางการแล้วก็ตะบีไปตั้งแต่ถอดแก๊อีก แล้วพอมาลงควนแล้วพี่ต่อยไม่ก็จะหลาดแล้วคนมันใช่มคุณเหอเราไปยืนดื่มอยู่ับบหรือว่าเป็นวิธีของเขาส่วนตัวเ็าจะหลาดอยู่ใช่ไมมันเป็นรูปแบบการทํางานแบบของเขาเออเขาไม่หวานเขาเขาจะมีวิธีการทํางานให้ตัวควมแพงออกมายาวๆแต่างคอะืดตึงแบบตึงแบแล้วพคดที่หลัง อย่าพูดตอหน้านะก็เก่งเที่ยวตัวเองทำเลเทำเลยแต่นึกถึงว่าขนมกองแรงที่แนทไป่ำมันเป็นแม่งแล้วก็ไปลวยแล้วก็โดยงาโรยกับมะพราวแล้วใส่กาแเสร็จเกลือนิดหนึ่งอันนี้ก็เป็นขนมกองแรงแต่มาเจอกองแรง้็ทีนี้รู้สึกอึความเป็นไทยมาถึงอเมริกาไอ้ตัวที่อะไรแตงโมหวานที่เราไปมีกล่อน ความเป็นไทยก็มาถึงอเมริกาไอตัวความรู้สึกตัวนี่เหือกันในรูปแบบการแับไอที่กับความเป็นไทยพูดแบบไทยมาถึงอเมริกาเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนเนี่ยเราเห็นมาเสมอค่ารู้สึกตัวในรูปแบบไทย มันยังไม่เป็นศัตรูกนันเป็นอะไรมันขัดแย้งไม่เนี่ยนะกันละพคนใจไรเข้าวหนึดงยกมาแล้วลมันคอยเรียนรู้เรื่องเหตุเรื่องผอย่างบาที่เหตุผลแต่ใทยไทยใช้ก็ฝรั่งนี่แหละนายที่นี่เาอยู่อยู่ไปต่างผ้ทนะี่อ่างของไทยะต่า ง, างยาวเหยียเลยแต่ว่าไปเจอหลังที่ต่างแพทย์นะคนกลุ่มแพทมิสกลุม่มแพทมิสที่อเมริกาต่างแพทย์าวเรยนคือูน แสดงบ้ารวยแน่เลยด้การขี่เกียนสักเพลงดีเด่นเขาไม่ใช่ไฟบางทีก็ไม่ใช้ไฟเขาใช้สักโอ้โหสักยาวมากเลยตางกเมือนไทยครับมันสักเขาไม่ใส่ไฟเศรกิพวกกลุ่มที่เราไป็นหลาต่ายแรกก็ประกาศมากดไม้จากแพารู้สึกมีการยอมกันแล้วใกล้ๆเนี่ยมาจะไม่ได้ที่ไหนแน่นอน อาจจะแถวแคลิร์เนีย เ, เยกก ร, ยยรื่องอะไรัถๆนี้กฎหมายดูนี้ผ่านก็เป็นข้อตกลงรวมกันเก็นก็เป็นการพูดคุย<ต>ไม่ได้ใช้อะไรวเราทำงานเลย้สติสังารนะใช้บัตรนใช้เห็นใช้ผลือยาชนจนไปเรเหผลแต่การหยาชนก็คือไม่ถือาสามันเป็นการชนแบบหนตัว<ต> ผิดก็มเปกก็ไม่เป็นไรไ่รอช่างมันก็เรียกว่าเป็นอักวิญาชนชนแบบหลายตัวก็จะด่าเราแบบน้ยอมเรื่องนี้เราจะไม่ให้เขาเป็นตุ้แต่เรื่องาเป็นตุ้มเราก็ปรับเปลี่ยนที่ตัวเราเนี่ยไม่เป็นไรดีไหมแค่ดีไหมเออดีดูดจุดจุดเจะเนมสาธารณชนแบบเป็นคนดีแล้วก่อนสาธารณรู้าดี อบุษราทุกตัวตคราเโนมีล้ดีแล้วดีดีดีดีแล้วเดยวะได้เรียนรู้ในตัวเองว่ามันดีอย่างไรไม่ดีอย่างไรครับพวของคุณธจะทำอะไรก็ทำเนาะผลในพุกธเนี่ยเราจะสัมผัสได้ที่ไหนไม่ก็มีมันมีในใจเรานักเดินกินนอนกินขับขาว่กสูตรึงสองสามบุบคนหึงสองสามสัสามล่าสิบต้นไม้าใช้รถใช้แดด อันเดียวเลยมีความรักเกิดขึ้นมาความเมตตาเกิดขึ้นมามีความหลงแหลมีสิ่งหยอยานไม่ได้อยู่ๆจะเฉยแค่ไมันต้องเห็นคำว่าเมตตาเกิดขึ้นมาในใจเราหรืเคือห็อะไรที่มันเป็นปัญหาเป็นความทุกข์ละเว้นอันหนึ่งก่อนสองมีหน้าที่ไหกับการรุกหาลงไปถ้ามีหน้าที่กบลงมือทำลงไปกบรรุกหนาต่อมาก็คือ ถ้าทำได้แล้วมันเสร็จตามที่ใจเราต้องการแล้วก็ได้รับการเรียว่ายอมรับโดยที่ผู้ที่เป็นทุกข์เขาหายจากทุกข์แล้วแล้วก็ทั้งหทานาร่วมกันคือเขาไม่ทุกข์แล้วจกป่วยก็หายป่วยซีีส์ตวสตแม่จับไม่ดีกันมีกันบ้างรือขึ้นอยู่ขึ้นไหมก็ใช่ e ล้วนะที่เราดูแลที่มา ดื่มแก้วในกาลารวมสองถ้าเราสมารถรู้สึกได้สัมสประโยชนะดับเนื้อประโยน์ของเวลาบริกาเกษตรเราต้องสาธุกันแต่ถ้าช่วยก็ช่วยไม่ได้เช่นโรงพยาบรักษาคนละตายหมอรักษาคนละตายโรคบโรคนรักษาได้อย่างี้รง เยมกันได้ยถึงอยู่และภูมิคุ้กใช้ความรู้ควาามารนที่รแนอมเนั่ี้อ้นพ่มีไปใช้เดจากการปฏิบัตแน่นอนหลากิเป็นพทารู้สึกดไปแล้วพร้อมที่จะช่วยคนเลยโลกทป บางอาสาแยกการวิวาททางการเองโทัความโกรธโกรธเร่อไปขอจองเวรจองกรรมกันอีกเข้าคืนเจ้าคืนก็สงครามรบกันเออแต่แต่ก็เป็นคนต่างคนต่งก็มีความคิดต่างกันแตสิที่เป็นจริงเี่บคามัควบตัวราด้ยทีคืออย่ามีการก็ใชกฎหมาย้แรงคนมีจก็ไม่หมดเลยอบ้านเก็บเน้เ็ตัวกันรัฐบาลแรงดีไเจอตำรวจเห็นวทั้งหน้าดุหน้าดัวก็ใหญ่ แล้วก็เหลือถนนการเดินทที่เดียวตอนที่ขับเนี่ยจเจองนไกลๆคนก็สักบ้านก็ทางเดิ ม, ม, มนะอยู่ๆเนี่ยไปกันเขาไปยังจะไปอยู่บางที ก, ก็ต้องใช้เหตุผลทบทวนเน่ยอย่างคนที่ขับรถไปส่งแล้วบอกว่ามีอยู่ทีนึ้วจอดรถเคยลับบ้านอยู่ๆมาด้านแล้วเจอแล้วจอดรถไว้ตำรวก็เลยถับแม่ไปทีรถ ก็บอกว่าทาไมรถเขาไไเขาจะขับไม่ได้ก็ไม่ได้มีสิ่งเส็จติดและแค่จอดรถเมื่อมาอาบน้ำหลวงตำรวจให้มาแล้วทำไมจะกลับไปที่รถไม่ได้ถ้าหลักฐานมีในรถเลมันมีการพูดคุยเหตุผมตำรวจ ก, ก็ยอมให้ไปที่รถแล้วก็บอกไปาํารวจคนนั้นก็พบอกว่ อ, อไม่ชอบหน้าในกนณีขับรพูด่หรอไม่ชอบหน้าคือเป็นคนไทยแต่ว่าเป็น เด็กที่เรียนที่อเมริกาแล้วไทยตอนมีคลินิกหลายที่มีหมออยู่ในเมืออยู่สิบสาคนหมอให้ประจำคินิกเพื่อทานแบบมาตร่าบนบาคนก็มีความมั่นใจในชะ้ไหมเรามีการช่วยเหลือว่าเร่ง จ, จริงมีกำลังมันพอที่อยท่านเห็นเห็ น, ว เ, หนเวลามีกฎกติกาอะไรยา้ขึ้นมาเขาก็คูยด้วยเด็กที่ผมเออถ้ากดกิตแบบนี้เอาตัวเราได้แน่นอนนน เป็นนักโทษเราทุกคนที่เป็ r การตามล่าทุกคนมาระวัเป็นอะไรที่ไม่กล้าไปรอเลยนะขนาดนี้เดี๋ยวเนี่ยมันมีผลนะเด็กเอป็นที่เรียกว่าปกติ้เไอ้ตัวเฉนี้งหดที่เก็บได้จากตัไอ้ตัวนี้ักระหว่างที่ราจกมีคนละตัว เราจะพร้อมไหลนี่สแตนด์ยิ่ยิงมาเมื่อกี้ที่ก่อนเราจะเปิดเทปหลวงพเขียนตัวสถติมันจะพาไหลไปรมานิทสททันทะเลนจาหลการเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดข้นไอตัวทันทะเลมันพาไหลออกไปเพรร่างกายเราเนี่ยเป็นตัวที่เกิดขึ้น ทีกาไลังรูปมีไล่ตั้งมีไล่ตั้งสิไลดนแต่ทศนั้นีอไนปางตัวที่ตัวรงตัวแต่งหนเป็น g n e e c i s นการรูปแก็ตัไอ้ตัวนี้มาให้หรืออดักมันที่ได้จรูปธรรมนั้นรู้แ่นะอคลอหม่ๆเ็บรบอางๆับโอโกแล้วนะปกิลอยชั้นลคลอดนระบบความคิดองแต่ง กาี่เรารู้ทันแค่สาครั้งห้าครั้งีง่เกิดประสบการณ์ที่สติ น, น้อยทำงานเข้ามาพอมาแล้เราเป็นแบบคิดร้อยครั้งมันก็ไปแล้วยี่สิบครั้งพัฒ น, นาขึ้นจากรันตตาๆนะาครั้งเป็นสิบครั้งเป็นยี่สิบครั้งเป็นสามสิบครั้งก็ยังเด็กจนไมันคิดงทีปักลุกปักปลุย ตรงดทีอรารองรู้ทั้งร้อยปัญญาเกิดขึ้นอะไรญาติปัสนาาให้สงสัยนิดนึ่งแล้วก็ลองเนี่ที่เราทาๆมันเลยที่ปัญญาแล้ถึงที่สุดยญาย่องมีจนและท้ายสุดมีตัววิปัตนายนั่จะพาเราไปลงวิชัชีวิต แล้วม right. no. mm ีสติก่อนที่ก่อนพูดก่อนทขนาดคิดขนาดพูดขนาดทำรอสติลังคิดัทมันเกิด้นเามีบางสบ้านปดภยวาเนเพื่อจะให้หลวงพ่อพาแผ่นไม้า่วิไลทย์ทีเดียวใน second เปี่ยนตัวแผ่นไมพากา่นบับ่บ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 May all living beings not be deprived of the good fortune they have attained. All living beings are the owners of their karma, heir to the karma, born of the karma, related t o h the karma, and lived e p e n d e n t l on the karma. Whatever they do, for good or for evil, t h n o g t h t o t h e i r for e e r May our living beings be, live happily, always free from animosity. May I share in the blessings springing from the good I have done. May there be a the the the well. good, good blessing. May the devas protect you by the power of the g u o d May you forever be well. May there be a really good blessing. May the devas protect you by the power of the d h a m a May you forever be e May there be a good blessing. May the d e v t s protect you. a h a r s b i May o e r e l s a m i h a v b d h a สัมโกส